สวัสดีตามปกติคนเราจะมีลมหายใจเมื่อสุดลมหายใจเมื่อไหร่เขาก็ไม่เรียกคนเขาเรียกผีคนเรานี่มีคุณค่าอยู่ที่ลมหายใจเกิดมาตั้งแต่ในวันแรกก็ต้องมีลมหายใจแล้วก็หายใจไปไม่หยุด จนกระทั่งถึงวันสุดท้ายก็จะควรหยุดลมหายใจนี่เป็นสิ่งปกติไม่ว่าใครทุกคนก็จะเป็นเช่นนั้นแต่ว่าคนเรานั้นยังไปประมาทลมหายใจแล้วก็ไม่คิดว่าลมหายใจจะมีค่านักหนาก็ต่างคนก็ต่างเป็นของธรรมชาติแล้วพไปไหนมันก็หายใจของมันปลาที่ไหนก็หายใจของมัน ทีนี้เราก็เลยพากันมีความประมาทเมื่อมีความประมาทก็ไม่รู้สึกว่าไอาการให้ใจแต่ละครั้งนี่มันหาค่ามิได้เพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลมารู้ว่าตัวของเรามีค่าแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จ ะ, สะแสวงหาในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์แก่ตัวและบุคคลผู้อื่น ต้องพยายามที่จะให้อภัยซึ่งกันและกันจะต้องพยายามที่ไม่ผูกพยาบาทต่อคอ่าจองเวรกันพยายามที่จะไม่หาเรื่องให้มันเกิดการแตกเ้าซึ่งกันและกันสิ่งที่อีกมันเกิดขึ้นเพราะว่าคนมีความประมาทนั้นอะไรก็จะเอาแต่ได้อย่างเดียวเขาเรีย ก, กว่าการเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวเนี่ย มันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความยุ่งยากมากมายเพราะฉะนั้นการเห็นแก่ตัวเมื่อจะละได้เนี่ยมันก็จะต้องทำจิตถ้าไม่ทำจิตแล้วมันก็ละไม่ได้เมื่อละไม่ได้เราก็พากันถือเราก็ไม่ได้คิดว่าลมหายใจนี่มันจะมีประโยชน์อะไรก็ ทําไปตามอำเภอใจคิดอยากจะทําบาปก็ทําคิดอยากจะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนบุคคลผู้อื่นก็ทําอันนี้เขาเรียกว่าคนที่มีความประมาทไม่รู้จักคุณคนะ่าของลงหมหายใจเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้พระองค์ก็ทําพิจารณาหรือว่า กำหนดลมหายใจนี้เป็นอันดับแรกเมื่อกำหนดอันดับแรกแล้วจิตของพระองค์ก็ได้บรร ล, ลุเป็นขั้นเป็นตอนไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราหวนรึกมาได้ว่าลมหายใจมีความสําคัญแล้วก็มีคุณค่าเราก็จะได้ละความชั่วต่างๆไม่พยายามที่จะไปกระทำสิ่งที่ เก่ความเดือดร้อนแก่ตนและบุคคลผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พระพุทธเจ้าให้เราพาให้พวกเราพาการปฏิบัติก็คือการให้ทานการรักษาศีลการภาวนาสามประการนี้เราจะต้องท่องเอาไว้ท่องเอาไว้ว่าเราให้ทานไหมเมื่อลมหายใจเรามาถึงตรงนี้เรารักษาศีลไหมเมื่อลมหายใจของเรามาถึงตรงนี้ เราจะทำการภาวนาไหมในเมื่อลมหายใจของเรามาถึงตรงนี้เมื่อเราระลึกอย่างนี้เขาเรียวกว่ามีสติเมื่อมีสติเราก็บริจาคทานได้การให้ทานไม่จำเป็นต้องเราต้องร่ารวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเรามีจิตใจเสียสละเราก็ทำได้แม่แต่ว่าไม้มันขวาง้นทางอยู่เรา จับมันโยนออกไปเที่ยงเพื่อให้คนอื่นเขาเดินสะดวกเท่านี้มันก็ยังได้บุญกุศลแล้วไ อ, ไอ้นอกเหยี่ยวมันมาเฉียวลูกไก่มันเฉียวผิดมันเฉียวเอาหญ้าออกจากวัดไปมันก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวบุตรอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าการทําบุญทำกุศลนั้นก็อยู่ที่ศรัทธา เราเสียสละแรงกายแรงใจของเราก็ได้บุญได้กุศลตลอดไม่ว่าเราจะอยู่ในเพศใดเราอยู่ในเพศครูวาสเราอยู่ในเพศพระสงฆ์ก็สามารถทำบุญกุศลการให้ทานวนี้อันแะเอลกนี้ได้ด้วยกันทุกคนและเมื่อเราระลึกถึงลมหายใจเราก็จะต้องระลึกไปถึงศีลว่า เราควรจะต้องมีสินห้าบ้างสินแปดบ้างหรือบวชเป็นแร น, นเป็นสินสิบบ้างบวชเป็นพระเป็นสินสองยี่สบ็ดบ้างเหล่านี้ทุกอย่างเหล่านี้ก็คือเราได้พากันและลึกถึงลมหายใจว่าถ้ามันหยุดเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะไม่ใช่คนแล้วเมื่อมันยังมีลมหายใจอยู่เรายังเรียกคนอยู่อย่างนี้เมื่อเรามีลมหายใจแล้ว เรายังไม่ได้ทําอะไรสมาธิภาวนาอย่างเรายังไม่ได้ทําเราก็ต้องรีบขวนผวยห้ทำซะ เ, เราจะไปรู้ได้ยังไงมันจะหยุดลมหายใจเมื่อไรเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลาย อ, อ, อย่าพากันประมาทเลยลมหายใจเป็นสิ่งที่มีค่าที่สดุดนับตั้งแต่เราเกิดมาจนกระทั่งถึงเราอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราหายใจมากี่ครั้ง เราก็การหายใจนั่นน่ะทุกแต่ละครั้งแต่ละครั้งคุณค่ามันเหลือล้นพ้นประมาณเพราะฉะนั้นเพื่อให้คุณค่าเหล่านี้ทรงไว้ก็จงพากันให้ทานจงพากันรักษาศีลจงพากันภาวนาคือเราพยายามจะคิดอยู่ว่าในวันหนึ่งวันหนึ่งที่มันล่วงไปเนี่ยเราได้ทําอะไรบ้างในสามอย่างเนี่ย ทานเราได้ให้ไหมสินเราได้ทายมีไหมภาวนาเราได้ทำหรืยอยังในในวันหนึ่งนี่ยเราได้ทำอะไรบ้างถ้าหากว่ามันไม่ได้ทำอะไรเลยนั่นน่ะถือว่าเราขาดทุนซะแล้วแต่ถ้าหากว่าในวันหนึ่งวันหนึ่งไม่มีการให้ทานเราก็รักษาสินเมื่อเราไม่ได้รักษาศิลเราก็ภาวนาอย่างนี้ถ้าหากว่า เรามีเรามีได้อยู่อย่างนี้อยู่ได้ตลอดไปนะั่นนะ่ะมันเป็นยังไงอะไรจะเกิดขึ้นคุณค่าของลมหายใจนี่มันจะมีแก่เราอย่างเหลือที่จะสุดที่จะประมาณว่าบุญกุศลเนี่แม้แต่เพียงนึกพุทโธคาเดียวก็ไม่ใช่ของธรรมดาแล้วนะเป็นสิ่งที่สามารถแลกสวรรค์ได้อย่างนี้เป็นต้น ด้วยเหตุนั้นในมหาสมัยยสูตรท่านถึงได้แสดงว่าพุทธังสรารนางคตาเสร่นาเตคมิชันติอปายภูมิงมนุษย์สังเทหังเทวกายังวเรศมีติเมื่อบุคคลผู้ใดมาะระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อเขาละจากร่างกายนี้ไปแล้วเขาก็จะได้ร่างกายเทพ นี่เป็นมหาสมัยสูตรที่ท่านแสดงเอาไว้ก็เนื่องจากว่าพระพุทธเจ้านั้นได้ทรงแนะนําความไม่ประมาทก็คือลมหายใจนี่แหละเพราะฉะนั้นเราจงพากันลึกเสมอว่าเมื่อเรามีลมหายใจแล้วเราจงสร้างบุญให้แก่ตัวของเราด้วยความสามารถที่เรามีอยู่สวัสดีสาธุ